นาทิเมสารนังอันยังธรมโมเมสารนังวารังสาระนาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารนาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนสัจวัเชนาว่าเธอยังสัตธุสาสเน ด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันธรรมเนนายังปุญญังปะสุตังอีธาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรกวายบุญใดในบัดนี้ สัพเพปิอันตรายะเมมาเทสุงตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนวาจายวาเจตาสวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ร, รมเมกุกรรมปะกตังมยายังกรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรมโมปาติคันห้อัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น การันตเรสังวริตุงวัรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป